พอไลเบียดเส็จเนี่ยท่านก็ทําวัดพุทธเจ้าเบียเสร็ก็ไปทักศีลสามรอบด้วยความนอบน้อมแล้วก็ไปท่านไปกันเนี่ยด้วยความเรียบร้อยน่านไปเบียเส็จไปจาริกไปที่ต่างๆพอไปถึงหน้าตําบลหนึ่งท่านก็จะอยู่อธิฐานบรรษากันเพราก่อนจะเข้าบรรษาท่านก็เรียกกันมาแล้วว่าเจ้า ม, มีพวกเราทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นพระองค์ทรงอนุเคราะห์พวกเราพวางั้นทร ง, งอนุเคราะห์พวกเรา นั้นในภรษานี้เราจงมนสศิการพระธรรมคำสอนที่เราเคยฟังกันมาแล้วนี่แหละวพรางั้นเนอะเรามาใไขควรลบไขควรกันในการมนาสิการนเรามาตริกเอามาเพ่งเอามาพิจารณากันเนี่ยบรรลุในภาษานั้นจริงจินี่ไงโดนไล่แล้วบรรลุเขาสมมตินะสมมติเรามีอาจารย์ลูกบอไปาพอแล้วเลิกเรียนโอสบายใจเหลือเกินกูรอคํานี้มานานแล้วใช่ไหม แลกลับมาแล้วโกรธกันเลยเจอหน้าแล้วไม่คุยกันเลยจะไม่เนะีะอัธยาศัยอย่างเราจึงไม่คู่ควรเขาใหญ่เนี่ยถ้าหากจะให้ตัดสู้วันนี้จึงไม่เหมาะโดยประการและทั้งปวงอันนี้แค่เรื่องเดียวนะถ้ารู้องค์ประกอบอีกหลายหลายเรื่องนะจึงไม่คู่ควรกันบรรลุถูกแล้วมันยังไม่พอไงหนึ่งคันติบา ร, รมีก็ยังน้อยอยู่ใช่ไหมเ ข, ข้าใจคาอ่อนเนี่ยวิริยะบา ร, รมีก็ยังอ่อนศรัทธาก็ยังอ่อนอะไรอ่อนหมดเลยนะ แต่สัญญายไม่ค่อยยอมรับเราจบอกว่าสัญญาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเครียดหรือหนักเลยเอนนี้ดังนั้นจะแปลกใจนะว่าทําไมจริงจริงมันไม่บรรลุถ้าเราบอกว่าถ้าเขาถามบอกว่าปรารถนาจกบรรลุไหมปรารถนาไหมถ้าเขาจะให้บรรลุภายในเดือนนี้เอาไหมเราก็บอกไม่เอาหรอกถามทําไมไม่เอา มันไม่สมควรเลยนะสมมติเนี่นะเอางี้พูดเป็เรื่องจริงๆเนะี่ยถ้าเขาจะมาเชิญเราให้เป็นรัฐนายกอะ่ะทั้งๆที่เราไม่มีความสามารถที่จะเป็นได้เลยนะเนี่ยถามว่าเอาไหมเนี่ยก็นี่อะ่ะอันนี้ขนาดแค่เนี้เมันเรื่องง่ายๆเรื่องเล็กๆเลยนะเป็นนายกกับการเป็นภรรยาเนี่ยเรารู้ประมาณตัวเราเองว่ามันไม่คู่ควร แต่เราไม่ใช่เราไม่ตั้งอัธยาศัยนะแต่ไม่ใช่ตั้งอัธยาศัยเป็นนายงคนละเรื่องไม่ไหวอันนั้นไม่ใช่การบรรเป็นบรรมีแล้วฉันถ้าว่าเราศึกษาคําสอนเนี่ยเราจะประเมินตัวเองออกถ้าประเมินตัวเองออกแต่นี่มันจะได้โดยจานวนเขาเรียกอะไรไม่หลอกตัวเองบางทีมันหลอกตัวเองเลยนะว่าจะ บ, บรรลุแน่แล้วบรรลุแนแ่แต่ท่านให้ใค่ายควรไหม แต่ไม่ใช่พูดอย่างนี้แล้วโมโหนั่งท้อแล้วเราไม่มีโอกาสแล้วยิงไปใหญ่เลยลเดี๋ยวนี้ยแปลว่าหนึ่งแล้วก็มาพิจารณานเนี่ยตรงเนี้ศรัทธาเขามั่นคงนะตรวจสอบตัวเองแล้วยิ่เพิ่มศรัทธาได้ตรวจสอบตัวเองก็เพิ่มวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญ์ศรัทธามีอาหารไหมมีเนาะถ้าเราไม่มีอาหารแล้วไมใ่ให้อาหารมันศรัทธาอยู่ไหวไหมวิริยะต้องอาศัยอาหารไหยต้องอาศัยปัจจัยไหมเห็นไหม วุติยาสติสมาธิปัญญาต้องอาศัยอาหารต้องอาศัยปัจจัยรูปกายยังต้องอาหารต้องอาศัยอาหารถึงจะอยู่ได้อันนี้ก็เหมือนกันกิเลสเนี่ยต้องอาศัยอาหารไหมเห่นไหมกิเลสมันที่กิเลสมันอยู่ได้ทุกวันเพราะเราให้อาหารมันโลภะโทสะโมหะที่มันอยู่ได้เพราะเราให้อาหารมันเราเลี้ยงมันทุกวันเราให้อาหารมันทุกวันแล้วเราไม่รู้ตัวเลยนะว่าเราพอกพูนตันหาราคะโทสะแล้วเรานั่งอยู่อย่างเนี้ย บางทีเราก็ใส่ปุ๋ยของโลภะโทสะโมหะตลอดเวลาแต่เราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราให้เพราะมันเป็นความเคยชินแล้วพราะยัออยงไงอ่ะส ถ, ถาว่าอาหารของโลภะคืออะไระกรามะฉันทะลองลองเอามาสักข้อที่อะกามะฉันทะเนี่ยเกิดเพราะมีอะไรเป็นอาหารเอาไมปชี้เอาละเริ่มคิดหนักเลย นี่นั่งไกลดีนะถามจะเลยอ <c oughs> นี่นั่งไกลต่อไปใครนั่งไกลไกจะถามบ่อยๆ <c oughs> ต่อไปรีบมานั่งไกลเลยดีไหมอา้าวตอบหน่อยหรืออะไรเป็นอาหารของโลภะใช่ไหมมันจะต้องรู้จักอาหารใช่ไหมรู ป, ปกายก็ต้องมีอาหารในการที่จะหล่อเลี้ยงรู ป, ปกายก็ตั้งอยู่ได้จเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาได้แล้วโลภะล่ะอะไรเป็นอาหารของเขา ก็ตั้หาก็องค์ทมเดียวกันก็นกนโลภะนั่นแหละโอ้ยยุ่งเลยเห็นไหมเนี่ยเสียเลยเลยเนี้นี่อยู่ไกลดีนกถามเลยแล้วมีใครไกลต่อมาอีกคนเดี๋ยวอาหารของโทสะหายนะแล้วใครอีกเดี๋ยวนี้อล้วใครใครที่โกรธเก่งๆก็ร้องหาอาหารของโทสะใครที่อุดทะเจาะมากๆต้องหาอาหารของอุดทะเจาะ ใครที่วิจิตรฉาบ้างมากก็หาอาหารของวิจิตรฉาเนาะหากันคนละข้อก็แค่คาการบ้านไปหาอาหารมาะเราจะได้รู้ว่า น, นี่ยเราไปให้อาหารเขาแล้วก็มันถึงเจริญเติบโตอยู่ใช่ไหมแต่อย่างนั้นเราจะไม่รู้เนอะว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นมาได้อะไรเราไปหลงให้อาหารมันใช่ไหมเออถ้าไม่ให้อาหารมันมันเขไม่โต ว, วันโตคืนยันทุกวันเนี่ยเช่นถีน้ำมิทาเนี่ยทําไมฟังธรรมทุกทีมันง่วงทุกทีเลยสัเกตไหม เอเที่ยวไปนั่งฟังเพลงแล้วโหวมันตื่นเต้นมากอะอะไรเป็นอาหารแล้วทีนะมิท่าใช่ไหมใช่ปัจจัยของเขาคืออาหารนั่แหละเขาเรียกอาหารก็ได้เรียกปัจจัยก็ได้เรียกเหตุเกิดก็ได้เพราะไอตัวเหตุปัจจัยของเขาเราไม่รู้ไงเราก็เลยไปให้มันเรื่อยเลยมันก็โต ว, วันโตคืนเลยด้วยแล้วโตไม่รู้ตัวเลยนะโอ้โหโตอย่างชนิดที่ว่า ยุ่งเลยแต่เนียยพิกตำลาไม่เจอแล้วเห็นไหมบอบอพอจะใช้เขาจริงๆเนี่ยยุ่งเลยใช่ไหมแต่โดยสํานวนโดยโดยโดยสํานวนเขาบอกว่าเข้าเข้าสนามลบแล้วไม่รู้เจ้าเลยไปลบอย่างนี้ยกธงแล้วนะ แล้วแล้วแล้วมันมีปัญหาในเวลาไปไขจริงไขควรจริงจริงถ้าเราไม่รู้ปัจจัยของเขาเนี่ยตรงนี้แหละนีถามว่าสมมุติถ้าเราจะไปปฏิบัติยุ่งเลยตัว น, นี้เขาถามว่าโลภะโลภะกามฉันทะที่ยังไม่เกิดใช่ไหมกามฉันทะมีอยู่น่ะภายในจิตก็รู้ชัดว่ากามฉันทะมีอยู่น่ะภายในจิตอเห็นอยังไงวะ้นเ่ยแล้วอะไรเป็นเหตุเกิดของกามฉันทะอะไรเป็นเหตุเกิดของพยาบาท อะไรเป็นเหตุเกิดของขีณามิทะอะไรเป็นเหตุเกิดของอุทธจากกุกุจจอะไรเป็นเหตุเกิดของวิจิกิจฉาใช่ไหมใช่รู้เรียนรู้สักข้ออย่างหนึ่งไม่รู้เลยเลยเอาเอาให้ข้อแรกเลยนะแล้วก็ไปแจกแจงอะไรอย่างอายอโยนิโสมนัสิกาเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมเป็นอาหารของตัณหา เป็นอาหารของโทศะ เ, เป็นอาหารของอุทธจารกุจจาเป็นอาหารของถีนะมิธาเป็นอาหารของวิจิกิจฉาอโยนิโสคืออะไรไไ <solidarity> การใส่ใจผิดการใส่ใจโดยไม่แยกคายการคิดผิดนั่นเองเช่น <ạ. S 1> อาหารของตัณหาเนี่ยเราไปใส่ใจในสิ่งที่มันไม่งามว่างามไงโอ้โหงามนะใช่ไหม <S <S 1> <S 1> เช่นถ้าเราไปใส่ใจว่าโอ้โหดีนะเนี่ยพอใส่ใจอย่างนี้ปุ๊บมันจะมาตันหาตามมาไหมชอบใจไหมชอบทันทีลองไปใส่ใจผิดที่โอโ้ดีนะไอ้ยแหวนนี่งามนะอะเสื้อนี่งามนะเอ้อาหารนี่ดีนะเห็นไหมถ้าใส่ใจแบบเนี้ยตันหามาไหมล่ะมาโอ้โหเนี่ยเมื่อไรจะเบรกที่ทีจะได้กินกาแฟเนี่ยถ้าใส่ใจอ ย, อย่างเนี้ยตันหามันจะมาเลยอะ นี่เขาเรียกใส่ใจผิดคิดผิดนะฮะไอตัวนี้เป็นปัจจัยเกิดตัณหาไอของที่ไม่งามเราไปคิดว่ามันงามมีตัวแรกเนี้ยแล้วมันไม่ใช่ตัวเดียวนะอเออกไปอะไรแต่ไปทิฏฐิแล้วสควรจะมาเรียนทุกวันจริงจร อ, องเงท มองบงงทีสงสถ้าเดาจะโถกบางนะแล้วตรงนี้ลองลองลองมาคิดดูนะว่าถ้าถ้าตรงนี้ไม่ชัดเนี่ยบาปเกิดง่ายมากในชีวิตจริงเลยนะอันนี้เขาใช้ในชีวิตจริงเลยนะเราจะรู้เลยว่าอการใส่ใจโดยโดยความเป็นของไม่งามไปต้นแล้วไปใส่ใจโดยกรณีที่ว่าในไปมณฑสิการ กลุบุคคลที่ตัณหาเกิดง่ายก็คือกลุ่มกลุ่มที่ชอบคิดในเรื่องของความยินดีความเพลิดเพลินนี่แล้วชอบรักของสวยๆงามๆเนี่ยลักษณะเนี้ยโอ้โหมามากวันๆถ้าจะอยู่ห้องก็ต้องตกแต่งห้องโถคนสร้างบ้านขายหลอกชาวบ้านเขาง่ายมากคนมีตัณหาอยู่แล้วใช่ไหแล้วก็สังเกตลักษณะเนี่ยชอบสีไหนแล้วโอยตกแต่งให้ถูกหยถูกใจอตัณหาเนี่ยมันหลอกเรามาตลอด ขนาดไกลแสนไกลเป็นยังต้องใช่ไหมแค่อยากดูเนี่ยอวัยวะส่วนอื่นมันมันไม่เกี่ยวข้องเลยยังต้องไปอ่ะดูที่ถ้าตันหาเกิดทางตาปุ๊บนี่นะไปแล้วไอ้เจมูกไม่อยากจะดมมันก็ไปด้วย <c oughs> เพราะไอ้ตาอยากดูบางคนเนี่ยอยากดูไม่ต้องอยากดูอะไรมากนะอยากดูหินห้อยตอนกลางคืน ใชเทศ ก, กาลโดหิ่งห้อยเขาบอกอาตมาอยู่ในป่าโคตรเบื่อขอไปใช่ตอนนี้นะเบื่อเบื่อเบื่อจริงๆนะยหิ่งห้อยอยหน้าต้องค้านด้วยมันหมายถึงตอนเป็นคราวาสเนตอนเป็นฆราวาสเนี่ยน <c oughs> ี่เห็นไหมตั้นหาเกิดต่งตางๆแค่นั้นแ่ะเท้าไม่ต้องไม่มีดินไปต้องรู้เรื่องขเขาต้องไปด้วย <c oughs> อาตมาเวลาตื่นเวลาตอนเช้าเนี่ยเวลาท้องมันหิวต้องอุ้มบาตรไปบินตา บ, บาต นึกในใจโอ้โหไอ้แค่ไอ้ท้องตัวเดียวอย่างนี้ลําบากเกินบางทีฝนตกว้าร้องก็ต้องคอยดูโอ้โหเดี๋ยวต้องรอยฝนตกก่อนเนี่ย้าไม่ออกไปก็ไม่ได้ไม่มีอาหารจะฉันเนะี่ยทาไมฉันก็อยู่ไม่ได้จเจริญสมาธิทำลําบากอยู่วันนี้ขนาดนั้นเลยนะเราเนี่ทําไมไม่ต้องมาใช่ไหมลาบากลำบนถึงก่านนี้ก็เพราะไอ้ตัณหานี่างละเข้าใจว่ามันเป็นเจ้าหนี้เราเราเป็นลูกหนี้มันเป็นเจ้าหนี้ ถ้ามันจะไอลูกหนี้กับเจ้าหนี่เนี่ยถ้าเจ้าหนี่เขาจะว่าจะกล่าวอะไรก็ต้องเฉวยว่าทนวะเต้างให้ทําอะไรทําได้ก็ต้องทําเราใช้หนี้ก็ไม่หมดเนี่ยทำไงไอหนี้แบบนั้นกันจะไม่เรายังเป็นหนี้เออยากจะดูกับไปตรี ต, ลตรลอยอยากจะฟังกับไปเฮ้ออะไรที่มันงับสวยๆเพราะๆยังไงกับไปลองคิดดูในอดีตที่ผ่านมาดินี่เราเป็นทาสใช่ไหมเราเป็นลูกหนี้เขาใช้หนี้เขาไปเฮ้อนี่มันไม่หมดดิ แล้วในสังสารวัตที่ผ่านมาเราก็มีเป็นหนี้อยู่เนี้ยแล้วมันไม่มีวันจบบรรสิ้นนะทั้งมันยังละมันไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็พิจารณาเห็นโทษของทันหานี่นึงอันนี้ตัวแรกตัวเดียวเดี๋ยวต่อไปอีกนานเดี๋ยวก็จะไปเรียนกันนึงต่อไปจะเรียนอีกงินเอาถ้าหากว่าโทศาก็อายนิสมรสิการในอะไรในปฏิคฆะนิมิตแทนที่เราจะใส่ใจในเมตตาเราก็ไปปฏิคฆะนิมิตเพราะขัดเครื่องแค่นั้นโอ้ปาแล้ว พอโกรธแล้วอะไรตามมาตัเนี้ยกายทุกข์ิตว่ยจีทุกข์เฉ ล, ล, ลีมนุทุกข์เฉก็ตามมาเยอะเลยตัวนี้ยใช่ไหมเพราะไอ้ทุกข์ใจนี่แหละบางคนโอ้ยวันนี้ทุกข์ใจไอ้ทุกข์ใจแต่โทสะมันมาแล้วยังไม่รู้ตัวมานะไอ้โทสะมีอยู่นะภายในจิตก็ยังไม่รู้อีกว่าตอนนี้มีอยู่แล้วไม่มีก็ไม่ยอมไม่ยอมไปไข้ควรว่ารู้รู้ว่ามันไม่มีอยู่แล้วมันจะเกิดโดยประการใดก็ไม่ไปรู้ชัดประการนะั้นใช่ไหม เออมันจะเกิดเพราะเหตุอะไรยังไม่เข้าไปไปคคไข่ควรเลยพิ่เจริญนะแล้วโทรศัพทนั้นมีอะไรเป็นเหตุเป็ น, เ ป, นเป็นปัจจัยก็ยังไม่รู้ถามว่าอยากจะละแนววะนั่นะบางคนอย่างนี้ก็ละโทรศัด้วยโลภะเครียดก็ไปเที่ยวใช่ไหมละละโทรศัด้วยโลภะทา ง, งานแค่เครียดกันหน่อยก็เดี๋ยวเมาลวดเที่ยวกันแค่นั้นมีละไปดูทะเลดูน้าดูปลานั่นไปหาโลภะแทนก็ไปสร้างตันหากาะพบชาติอีกแล้ว ตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นให้เกิดเกเพราะเป็นปัจจัยเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยเกิดชรามรณะอิโศกกาลิเทว่าเดี๋ยวก็ทุกตามมา้กันแล้วเข้าใจยังเนี่เป็นอย่างนี้ไงเนี่โทษของการไม่รอบรู้นี่นะโอ้หนาน่ากลัวมากเลยตนนี้เริ่มวาอย่าทีนั้นไม่ท่าเอาใส่ใจผิดอีก แ, แล้วไปใส่ใจแน่แหละไอคนที่มี คนที่มีโทสะนี่นะเหมือนคนเป็นโรครักษาไม่หายนั่นแหละถ้าทีนะมิท่าก็เหมือนคนติดคุกคนติดคุกนี่หมดอิสรภาพไหมงอยไหมงอยเลยเขาฟังทำกันไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้มันติดคุกมันคนติดคุกเนี่ยเวลาก็มีงานหอระศพข้างนอกเลยรู้ไหมว่าเขาสแสดงอะไรกันอยู่ไม่รู้เลยนะ งั้นคนติดโคกคนอยู่ในถีน้ำมิถาก็เหมือนกันก็ก็ซึมอยู่นั่นแหละพขาไปถึงไหนแล้วไม่รู้หรอกเขาเรียกหมดอิสรภาพเลยนะถ้าว่าอุทธจารกุกจจาก็เหมือนคนเป็นทาสนั่งฟุ้งอยู่แล้วเป็นอะไรแลยฟุ้งคนเป็นทาสเขาเนี่ยต้องอาศัยคนอื่นไหมต้องอาศัยคนอื่นนะทาสต้องอาศัยต้องอาศัยเจ้าของย่อสายเจ้านายตลอดเวลาไหมงั้นคนที่อุทธจามากก็เหมือนกัน ถ้าเป็นพระนี่นะสมมติว่าท่านทับใช่ไหมสมมติเราเรียนวิญญาณไม่ดีเลยไปอยากปรารถนาไปอยู่ป่าเอ๊ะมันผิดหรือไม่ผิดเพรก็เรียนมาไม่ดีเลยฟุง้งไหมอุทธาจารเกิดอีกแล้วน่ะเข้าน่ะ เ, เข้าออกจากป่ามามาหาครูบาอาจารย์อีกแล้วเอ๊ไอ้วิญญาณข้อนี้ผมสงสัยเหลือเกินช่วยขยายหน่อยมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วบอกอีกข้อนึงก็ไปสงสัยอีข้อนึงบออ่อยข้อนึงก็ไปสงสัยอีข้อนึงนะเพราะอุทธาจาร ก, ก, กููจามากมากเนี่โยโอ้ยเป็นอย่างเงี้ย เขาจะฟุ้งซ่านทุกเรื่องเลยอะยิ่งรู้เรื่องอะไรเดินฟุ้งซ่านอยู่นั่นแหละก็เหมือนคนเป็นธาน่ะเข้าใจยังมองเป็นคนเป็นทาตวิจิจิชาก็เหมือนกับอะไรเดินทางไกลเดินทางไกลแล้วก็ไม่ปลอดภัยเพราะมีสมบัติไปเยอะระแวงวุ่นเอาดูอีกนายหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะไม่จบแล้วนา่าอ่ะลองอ่านต่อไปเถอะพิจารณาเวทนาอีกนายหนึ่งบทว่าอ อาบันดาหนึ่งสองสามอ เกีวยวพิจารณาเวทนาในยะหนึ่งนี้ท่านสอนทิงในการรู้ชัดตรงนี้ถ้าหากว่าเราดูแค่ตรงนี้แล้วไม่ไปดูอัจถริยหรือดีกาสูตรอื่นเนี่ยนะมาเปรียบเทียบเนี่ยความเข้าใจก็จะอยู่แค่สั้นๆแหละสุ ข, ขั ง, งเวทนาเวทิยามีติปชานาติเนี่ยเพราะไม่มีทุกขเวทนาในขณะสุขแห่งเวทนาใช่ไหมคือถ้าตราบใดทุกขเวทนาเกิดขึ้นในขณะนั้นก็ ไม่มีสุขไม่มีเวขาแล้วก็ใ น, ในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นในขณะที่สุขเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่มีทุกแล้วก็เวขาเนี่ยในขณะที่เวขาเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่มีไม่มีสุขแล้วไม่มีทุกขเนี่ยเนี่ยทีนี้ตรงนี้เขาบอกว่าต่อมาท่า well, นก็บอกว่าพอบอกว่าให้รู้ชัดเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาคําว่ารู้ชัดในที่นั้นหนึ่งรู้จักเวทนาคำว่ารู้ชัดเนี่ยนะ หรู้จักเวทนาสองรู้จักเหตุเกิดของเวทนาแล้วก็รู้จักความดับของเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะแปลว่าต้องเอาเวทนามาวิจัยนะคาวิจัยเป็นรู้ชัดตรงนั้นนท่านเรียกว่าทำปริญญาในเวทนาสามหรือในเวทนาห้าเอาปริญญานั้นมาทํายาตาปริญญามาทาําตีนนะประิญญาแล้วก็ประหาหนะประิญญาเบื้องต้นเนี่ยเวลาศึกษาคําสอนอพระพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งเอาตัวเวทนานั้นมาทํายาตัปริญญา ยาตับริญยาเนี่ยหนึ่งรู้จักตัวเวทนาให้ชัดก่อนว่าเวทนาเนี่ยสุขเวทนานเป็นอย่างนี้นะแล้วสุขเวทน า, นาสายทางทวารตาเป็นอย่างนี้ทวารหูเป็นอย่างนี้ทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจอย่างนี้นี่คือเวทนาหกถ้าสายทวารหกเขาเรียกเวทนาหกใช่ไหมในบรรดาทวารหกเนี่ยถ้าสามไปคูณเป็นสิบแปดสามก็คือว่าสุขเวทน า, นานทุกขเวทน า, นานและเวขาเวทนาเนี่ยเน้นทางทวารตามันเกิดได้สมเนี่ย เห็นรูบารมณ์เนี่ยสุขเวทนาก็ได้ทุกข์ก็ได้แล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุเบกขาเวทนาก็ได้ทวารหูก็สามทวารจ ม, มูกก็สามทวารลิ้นก็สาทวารกายก็สามทวารใจก็สามสา ม, สามหกก็เป็นสิบแปดง่ายนิดเดียวเนาะไอที่เหลือยากหมดเลยเนี่ยมันในจริงมันมันอย่างนี้เข้าใจอย่างเงี้ยนะแต่ว่าหนึ่งในชีวิตจริงมันต้องกำหนดรู้ตโตเวทนาชัดอย่างนี้ก่อนเพราะเวทนาสามมันเกิดทางทวารหกแล้วมันเกิดในชีวิตจริง มันไม่ได้เกิดในตำราแต่ตำรานะั้นเป็นการสื่อให้เราเข้าใจตัวเองเนอะปริยัติเนี่ยคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนี้ไปอาศัยเขียนไว้ในตำราแต่คําว่าปริยัติเนี่ยเป็นภาษาสดาของเราต้องเข้าใจกันด้วยให้ต้องชัดเวลาศึกสาวสาความสอนเนี่ยอย่าไม่ชัดขึ้นมาเอ๊ะ ย, ยังไงอะไรนี่ดังนั้นเราจะได้ตอนเนี้ยเรามาเรียนรู้พระปริยัตินี่ยคือเรียนรู้เรียนรู้อะไรเรียนรู้ภาษาสดา ภ า, า, าษาสดาจะสอนเราได้ไม่ได้แสอนเราได้หรือไม่ได้ก็แปลว่าเราจําดนได้ใช่ไหมเราจําได้ไอการที่เรามีสมีสัญญาจําได้ก็เรียกกาหนดหมายได้นั่นแหละต่อมาสติก็เรียกข้อมูลมาใช้อะเรียกข้อมูลมาใช้ในขณะที่ค่อควรในชีวิตจริงเนี่ยเข้าใจไหมเอาอย่างกรณีที่คนฟังทำกันในขณะเนี้ยแล้วก็ค่อควรพิจารณาดูเอาตอนเนี้ก็มาพิจารณาดูด้วยว่าเวทนาอะไรเกิดขึ้นในขณะฟังทำ สมานะใช่ไหมสมานะแรงเลยหรือเปล่าบางคนเออนี่ถ้าสำหรับอุเบกขาอย่าไปให้อุเบกขาในโมหะเนี่ยนั่งอุเบกขาในโมหะมีสองอุเบกขาวิจิกิจชากับฟุงซ่านใช่ไหมวิจิกิจช่าส่งผลในปฏิสนธิการได้ไหมดได้ไม่ได้ไจะไงอุทธจารส่งไม่ได้วันนี้ไม่รู้เป็นไงถามใครก็ใครตอบก็ไม่ค่อยถูกเลยเป็นเพราอะไรไม่รู้เนี่ย สงสัยอุตุไม่สปายะซะแล้วใช่ไหมการศึกษาพระธรรมนี่ต้องอาศัยปัจจัยเยอะแล้ะอย่างว่าแหละนะอย่างเราเราบางทีมันประเภทไหนรู้ไหมบอกสปายะไม่มีเลยว่าไหมเนี่ยตอบมาอุตุก็ไม่สปายะอาหารก็ไม่สปายะอะไรบุคคลก็ไม่สปายะอะไรกัน ธรรมะก็ไม่สปายะไม่มีสปายะแต่ถามว่าทําไมถึงไม่สปายะบอกเอพราะหนาวเกินไปเป็นยังไงบ่นบอกเพราะเพราะหนาวเกินไปก็โอ้โหทุกเดี๋ยวโทรศัท์เกิดอีกหนาวมากแต่ร้อนเกินไปแล้วมีเคยพอดีหมบอกไม่เคยพอดท่านเวลาเวทนาเกิดอย่างยกตัวอย่างนี่นะท่านยกตัวอย่างเช่นถ้าในาขณะที่กําลังฟังพระธรรมอยู่จิตนี่ตั้งใจฟังพระธรรมกระแสจิตเป็นไปกับพระธรรมคำสอนอย่างต่อเนื่องเลยแล้วตั้งศรัทธานี่นะ ให้เด้งแล้วใจเราไม่เปลี่ยนไปทางไหนเลยตอนนั้นน่ะสามใครตั้งได้หนึ่งนาทีก็ปัดเป็นปัจจุบันของท่านคนนั้นสองนาทีสามนาทีบางคนตั้งได้เป็นชั่วโมงก็เป็นปัจจุบันของท่านคนนั้นไปเขาเรียกว่าสัน ต, ติปัจจุบันแต่ถ้าเปลี่ยนอารมณ์อะไรมันขาดไว้นั้นในคำว่ า, าสัน ต, ติตรงเนี้ยบางคนบอกโอ้ยสัน ต, ติไปเข้าใจอีกมุมนึงน่งนะเข้าใจอย่างคำว่ า, าสัน ต, ติเป็นอย่างนี้แปลว่าหนึ่งในขณะนั้นเราใครควร พระสัตยธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ใจและกระแสใจของเราก็ส่งไปและในขณะนั้นก็สมาสะเวทนาเกิดนะอย่าเพลียนเวทนานอะถ้าเวทนาขึ้นชวนะยังเป็นสมานะขึ้นชาวนะยังเป็นสมานะท่านยังจัดว่าเป็นสันตติปัจจุบันอยู่แต่ถ้าหากว่าเออฟังฟังฟังฟังไปจากสมัยานะเวขาอดับไปยังสมานะเวนาดับไปยังดับแล้วเข้าใจไหม สมเด็จสเวนน่ะอ่ามันคำว่าดับในที่นั้นเขาให้ดูแบบนี้ดูการสืบต่ อ, องการฟังทำอย่างเงี้ยมันก็ชัดเขาเรียกว่าโอ้โหศึกษาไปเข้าใจไปว่าโอ้เนี่ยเราเข้าใจคาว่าปัจจุบันแล้วใช่ไหมนี่เขาเรียกปัจจุบันสัน ต, ติไม่ใช่ปัจจุบั น, นขนาดถ้าปัจจุบันขนาดเขาเรียกอุปาทถีติพังคะดูทันไหมไม่ทันแล้วใครไปทันใช่ไหมมันเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใชงไหมยอมสมายเป็นวิสัยของพทธเจ้าไม่ใแต่วิสัยของเราเนี่ยมาดูตรงไหน ดูสันตติปัจจุบันแต่สันตติปัจจุบันก็ต้องชัดนะถ้าตัวเวทนาเนี่ยก็ต้องดูตัวสัตว์สมนัสเวทนาที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมเนี่ยหรือฟังธรรมไปแล้วเกิดโทมนัสก็ได้ทำไมว่าวันนี้ท่านอาจารย์เพ่งโทดแต่เราเรื่อยเลยสมมตินะดูฟังธรรมแล้วผิดใช่ไหมแท้จริงอ่ะเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าจะขัดเกาแล้วก็ไปเชิดผิดแล้วว่าท่านคนนี้มีเจตนาไม่ดีกับเราแน่นอ น, นเนี่ยเกา ว, ว่าทำพลาดทิ้งเราอยู่เรื่อยเลยสมมตินะ โหยโกรธไปเงี้ยนะแล้วก็เพ่งไปเงี้ยคอยดูจะไหวอีกไหมจะไหวอีกห ม, กมนั่นนั่นนั่นโถกูทุกดอกอะไรเงี้ยไปเลยอะไรเนี้ยนี่ยแต่ทุกเคเวทานายังไหลยอยู่ในชาวนาตลอดเวลานี่นะโทศาเกิดตลอดเวลานั่นหลยเขาเรียกว่าธอมนาสวเวทนานั้นเป็นปัจจุบันสันตติอธิบายกัอย่างนี้ปัจจุบันสัน ต, ติอะอันนี้ไม่พูดเองนะในอัตกะถาองวิสุทธิมากแล้วก็ดีกาเขารับรองเอออย่างนี้อธิบายแบบนี้ ไม่ใช่ว่าโอ้ยต่อยจ้องเห็นขณะหนึ่งปุ๊บขณะนึงปุ๊บคน <c oughs> เรื่องเลยใช่ไหมใช่ไหมใชอันนี้ขัดในวิสุทธิมรรคโดยแท้ไปขาดใครไม่ขาดไป ข, ดไ ข, ดไขดาดเพราะพุทธโคสอาจารย์ยุ่งเลยยุ่งเลยอันนี้ท่านถ้าใครอธิบายไม่ตรงท่านคนนั้นขาดเองนะ <c oughs> ไม่จะ่เดี๋ยวทำหนิกันนะว่ <c oughs> าเขาทำเราไม่ควรไปเพ่งโทษกัน <c oughs> เพราะการอธิบายผิดเป็นเรื่องปกติ <c oughs> แต่ถ้าใครอธิบายถูกนะผิดปกติ <c oughs> มันนี่อธิบายถูกได้ยังไงใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายง่าอธิบายเลยถูกเลยอย่ี้หรือมาเข้าใจเนี่ยถ้านั่งฟังเนี้ยสมมติว่าเธอมีคนเข้าใจสักห้าหกคนเนี่ยมาักบุญแล้วถ้าไม่มีใครเข้าใจสักคนเลยก็เกียราคงมีเทยวดาวฟังแล้วนั่งเข้าใจใชไม่จ้าโอเคดิ่งเออถ้ามีคนเข้าใจโอเยอะแยะแล้กเกินโอ้โหเหม่ธรรมดาแล้วเนี่ยแสดงว่าทานบารมีศีลบารมีเนคขมาปัญญาบารมีของพวกเรานี่ไหม่ธรรมดาแล้วว่าแต่อย่าเกิดมาหน้านะถ้าเกิดมาหน้าเข้าใจผิดอีกนะ ดันหาไปเข้าใจไปเอเอาปัญญาไปละล้มอีกแล้วเดี๋ยวก็หลงตนเองอีกแล้วไม่ยอมคืบหน้าอีกล้ไม่ใช่ไปง่ายๆเนาะในภาษาศาสนานลืมลืมเนื้อลืมตัวไม่ได้เลยเพราะงั้นตรงเนี้ยมันจะเป็นลักษณะเนี้ยอันนี้ในยะหนึ่งแต่ถ้าอุตูส ป, ปายาอุตูที่เป็นปัจจุบนันเราจะนับไงนี่พูดเรื่องนาำไปรูปอีกแล้วถามาอุตูเป็นปจัจจัยแกทุกเวนาได้ไหมอุตูเป็นปัจจัยแก่สองมนัสเวทนาได้ไหม อุตุเป็นปัจจัยกัเวขาเวทานาได้ไหมเอาอุตุขนาดเนี้ยโทมนัตเวทานาโสมนัต เ, เวนาหรือเวขาเวนาเกิดเล่อ๋อโสมนัตเล ย, ะยนะแต่นี่ทีนี้ถ้า ส, สมมุตินะสภาพอุตุนี่นะและเป็นปัจจัยให้เกิดเ อ, อถ้าเป็นรูปนะถ้าปริมาณของอุตุเนี่ยเป็นปจัจจัยแก่แก่นในใ น, ใ น, ใ, นในความเย็นความร้อนในร่างกายเราเนี่ย ถ้ประมาณสัก25องศาสมมติที่ประมาณ25องศาแล้วสภาพร่างกายของเราก็อยู่ประมาณนั้น25องศาถ้ามันเป็นไปในขณะที่25องศาตลอดเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าปัจจุบันสันติแล้วหนึ่งแต่ถ้าหาอุตุนั้นมันลดลงหรือว่ามันเพิ่มขึ้นน่ะแต่ว่ามันดับเลยนะอุตุนั้นเน่ยอสันตินั้นมันดับแล้วแล้วมันก็จะเป็นสันติอีกขณะหนึ่งไปแล้วมันต้องเข้าใจอย่างนั้นนี่เขาเรียกพลุกรูปทีนี้ถ้ามันเป็นปัจจัยเกีเวทนาของเราแหละ อุตุนี่นะเกี่ยวกับแอร์เนี่ยขนาดเนี้ยบางคอนเนี่ยสมานัตเนี่ยโอ้โหเป็นนะเข้านะเข้าจากสมานัตไปตามลําดับเนี่ตอนนั้นยังเป็นสันติปัจจุบันอยู่เนาะนะเข้านะเข้าดับสมานัตดับแล้วเป็นอุเบกขาไมใกล้จะหลับแล้วไม่อากาศดีเลยหลับทีนามิตาจะเล่นงานแล้ยจะมันเริ่มจะเป็นอุเบกขาเอกขาตาแล้วนะเข้าง่อยง่อยหลับเลยสบายง่ายมากถ้าไม่ต้องการ ถ้าไม่ต้องการให้คนหลักในการฟังธรรมก็ปิดแอร์หมดกว็วนกว็วายเลยทุกเวระนะเกิดอีกแล้วเนฟังธรรมไม่รู้เรื่องอีกโอ้มนุษย์อือเล่นยากนะจะทําให้กุศลเกิดนต้องอาศัยปัจจัยมากมายเรารู้ไหมเนี่ยปัจจัยเยอะแยะหมดใช่ไหมหูก็ต้องอาศัยพระธรรมของพระเจ้าผ่านจากท่านผู้ใดผู้หนึ่งนะที่อ่านว่นยายธรรมบรรยายพระธรรมไปฟังนะตาก็ต้องมองพระพุทธโลกบ้างหรือว่ามองผู้กล่าวพระธรรมเป็นต้นหน่อยนี้บ้าง ไม่ทงางทางในคณะทวารก็ต้องอาศัยอากาศจากแเย็นๆนะเยอะเชี่ิวหาทวารก็มีการดูดกินน้ําลายเป็นระยะรนะยะให้มันช่วยกันมันเลยเป็นปัจจัยแกเ่เวทนาเยอะแล้วก็ทางโพธพาลมก็ต้องอาศัยอุตุที่สบายนะกลัวจะได้โสมนัสเวทนาเนี่ยฉะนั้นเวทนาโสมนัสเวทนาที่มันเกิดในใจอาศัยปัจจัยเยอะไหมเห็นไหมไม่ใช่แค่ ปัจจัยธรรมดาแล้วต้องอาศัยหนึ่งต้องฟังธรรมนะของพุทธเจ้านะสองต้องมีตาดูในสิ่งที่เป็นอิทารมที่เกี่ยวกับ ใ, ในกุศลเลยนะเอ้วจมูกก็ต้องได้อารมณ์ดีๆเป็นต้นเหล่านี้ด้วยแล้วก็ทางทวารกายก็ต้องได้สปายะที่ดีเป็นต้นเหล่านี้ขนาดนิสสมณสเวทนาใสายปัจจัยมากมายและสิ่งเหล่านั้นไม่มีเที่ยงเลยคําพูดพระธรรมเนี่ยจะพูดตลอดเวลาได้ไหมเดี๋ยวก็หยุดใช่ไหม ปัจจัยก็ไม่เที่ยงเลยนะแอจะให้อยู่ระดับของระดับไปยี่สิบห้าองศาตลอดก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ตัดเดี๋ยวมันก็เพิ่มไอตัวปัจจัยมันยังไม่เที่ยงเลยแล้วเวทนามันจะเที่ยงแต่ที่ไหนเริ่มจะชัดยังได้เนี้เวทนามันไม่ใช่อาศัยมันอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นในลําพังตัวมันเองเลยเขาเรียกทุรพลมันสามกำลังเนื้อเวทนาเนี่ยเหมือนกับรูปกายเนี่ยสามกำลังไหมล่ะ ถ้าไม่ได้อาหารไม่ใช่อาหารอย่างเดียวนะถ้าใส่แต่อาหารอย่างเดียวจะถามรูปรกายอยู่ได้ไหมสมมติไปอยู่ในอุตุร้อยองศาให้มีอาหารกินอยู่ได้ไหมได้ไม่ได้ร้อยองศาอยู่ได้ไหมไม่ได้เห็นไหมอุตุก็ยังก็ต้องเป็นปัจจัยแก่รูปรขันอาหารก็ต้องเป็นปัจจัยแก่รูปขันไม่ใช่แค่นั้นนะจิตก็ยังต้องเป็นปัจจัยแก่รูปรขันน่ะเอาถ้าเครียดมากๆในกายอยู่ไหวไหม ไม่ไว้แล้วเดี๋ยวบ้าเลยเนี่ยใช่ไหยจ๊ะกรรมด้วยถึงบอกโอยปัจจัยเยอะเหลือเกินฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันอยู่เนี่ยมันอาศัยปัจจัยแต่คุณรู้ไหมถ้าวิจัยปัจจัยไม่ได้เขาเรียกยาตัดปริญญาไม่เกิดเอาสิถ้ายาตัดปริญญาไม่เกิดถามว่าสมควรจะตัดสรุมั้ยสมควรหรึเปล่าไม่สมควรจะตัดสรุมหรอกถ้ายาตัดปริญญาไม่ดีอ่ะก็จะไปตัดสรุอะไรชไใช่ไหมจ๊ะสมมดนะ สมมติว่าการอุบัติเกิดขึ้นของพระเจ้ารู้ปัจจุบันแล้วบรรลุอะขออภัยนะบรรลุเห็นเกิดเห็นดับเห็นพอแล้วในขณะที่เห็นเกิดเห็นดับแค่นี้ก็พอแล้วถามว่าอาโหพุทโธทละท่องทำไมยพระพุทธเจ้าหน้าอาศัศจรรย์ยิงาอาศัศจรรย์ไหมแบบเนี้ยที่อะไรวะสอนแค่นี้บรรูุใช่ไหม อัศจรรย์ไม่ยยอะสมัยแล้วบรรู้อะไรที่มบรรู้อ่ะบรรลุก็ยังเหมือนเดิมโลภโกรธเหมือนเดิมบิดชาลิสยาเหมือนเดิมไม่รไรรบรรลุอะไร อ, อโหพุโทโธอโหธรรมโมอโหสังโฆพระพุทธเจ้าหน้าอัศจรรย์จริงใช่ไหมพระธรรมของพระพุทธมีพระเจ้าก็น้าอัศจรรย์เพราะว่าสามารถขจัดทุกข์ให้กับเราได้อ่ะ ให้กษัตริย์โลกะนะถึงบอกว่าถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสอนของพระเจ้าดีๆเราจะเป็นไปด้วยกัเหตุผลจชัดเจนเหตุผลของปัญญาด้วยนะใช่ไหมเริ่มชัดเจนเน้อย่างนะมีเป็นไปในรักษณะอย่างนั้นอันนี้คือปัจจัยในด้านของยาแต่ปริญญาอันนี้ต้องรู้รู้จากตัวเวทนาแล้วยังไม่พอนะทีนี้ในบรรดาในเวทนาที่เกิดขึ้นนี้พูดนะ่ะพูดแบบเหตุจปัจจัยหยาบๆนะ ถ้ามอปัจจัยภายในของเขาเนี่ยเยอะเลยเนี่ยใช่ไหมจะต้องอาศัยสามยุทธปัจจัยั้มต้องอาศัยวิญญาณอะขันไหมยสังขาระขันต้องอาศัยไหมสัญญาขันได้ไหมไม่เวทนาขันก็ต้องอาศัยรูปอะขันไหมยต้องอาศัยไหมเห็นไหมต้องอาศัยทั้งเวทนาอต้องอาศัยตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะตัวเวทนาก็ต้องอาศัยนามอขันที่เหลือ แล้วก็อาศัยรูปขันเป็นต้นด้วยแล้วยังต้องอาศัยปัจจัยภายนอกอีกแล้วสิ่งที่เขาไปอาศัยอยู่นั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาและตัวงเขาจะอยู่ไหวหรือก็ปัจจัยมันไม่เที่ยงตัวงเขาจะเที่ยงแต่ที่ไหนแต่ปัจจัยของเขาเป็นทุกข์แล้วเขาจะไปสุขได้ยังไงปัจจัยเขาเป็นอนัตตาแล้วคุณมาเป็นอัตตาอยู่ตัวเดียวได้ยังไงไม่ได้หรอกไม่ใช่เป็นอัตตาเที่ยงแท้แน่นอนหรือว่าเป็นอัตตาแบบบังคับได้ สามีใครบังคับเวทนาได้ยมบังคับเวทนาได้ไั้ยบอกขอเวทนาอย่างนี้อยา่าเกิดเลย